สิกขาบทวิพังหนึ่งพันหนคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์อว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามารดาบิดาพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผู้ให้กําเนิด ที่ชื่อว่าสามีได้แก่ผู้ที่ครอบครองหญิงคําว่ายังไม่ได้รับอนุญาตคือยังไม่ได้บอกลาที่ชื่อว่าสิกขามนาได้แก่สมณีนนรีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีคําว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วแสวงหาคณะอาจารย์บาทหรือจีวรหรือสมมุติสีมาต้องอบัตฐทุกกฎจบยติ